ห้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลเข้าไปในหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเย็นคนทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นจึงได้อรรถนาดังนี้ว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านทั้งหลายเข้าไปเถิดครั้งนั้นภิกษุนั้นมีความยำเกรงว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการโดยไม่ได้บอกลาจึงไม่ยอมเข้าไปพวกชวนได้ปล้นภิกษุนั้น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 ให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอ น, นึ่งภิกษุใดไม่บอกลายภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการต้องอบัติปาจิตติสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ